คราวที่แล้วเราก็ฟังกันมาถึงตอนที่หัวหน้าโจรจะเอาชีวิตสมณะที่เรวัตจับมาได้นะคะเพื่อมาทำพิธีบูชาเจ้าแม่กาลีแล้วสมณะรูปนั้นก็ได้แสดงธรรมโปรดหัวหน้าโจรเพื่อไม่ให้กระทาในสิ่งที่เป็นบาปมากกว่านี้หัวหน้าโจรจะเชื่อฟังสมณะรูปนั้นหรือเปล่าเรามาติดตามกันต่อไปนะคะ ก่อนนายโจรพระพิกษุกล่าวต่อไปเมื่อเห็นนายโจรยังนั่งนิ่งอยู่ทุกครั้งที่ท่านจะออกพรนท่านได้ทําการบนบานแก่เจ้าแม่เสมอไปหรือก็ไม่เสมอไปหรอกเป็นบางครั้งบางครั้งก็บนบางครั้งก็ไม่ได้บนแต่ในขาวที่สําคัญสำคัญเราจะต้องบนก่อนเสมอก็แล้วทุกครั้งทุกครั้ง ที่ท่านบนเจ้าแม่ก่อนจึงออกปล้นท่านประสบผลสําเร็จเสมอไปหรือ mm. ก็ไม่เสมอไปบางครั้งก็สําเร็จบางครั้งก็ไม่สําเร็จบางครั้งก็สําเร็จโดยง่ายบางครั้งก็สําเร็จโดยยาก mm. นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าอํานาจของเจ้าแม่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดแต่ประการใดไม่มีความแน่นอนพอที่จะไว้วางใจได้ ถ้าเจ้าแม่มีความศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดจริงท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องเสี่ยงเข้าต่อสู้ร้นสะดมเขาเลี้ยงชีพดอกเพียงแต่กราบไหว้เจ้าแม่ด้วยดีเท่านั้นเจ้าแม่ก็จะอำนวยให้ท่านมีทรัพย์สินเงินทองตามต้องการแต่เพราะเจ้าแม่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดอะไรท่านจําเป็นต้องล้นเขาเลี้ยงชีพเมื่อท่านทางานเอง ได้รับผลเช่นนี้จะว่าเจ้าแม่ช่วยเหลือท่านได้อย่างไรอันหนึง่งถ้าสมมุติว่าเจ้าแม่มีความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนทุกครั้งที่ท่านทําการบนบานก่อนแล้วจริงจะออกปล้นท่านก็ควรจะประสบผลสําเร็จด้วยดีทุกครั้งไปนี่เพราะอํนานาจของเจ้าแม่ไม่มีความแน่นอนท่านจริงประสบผลสําเร็จบ้างผิดหวังบ้าง การที่ท่านไปฝากความไว้วางใจในเจ้าแม่ที่ถูกท่านควรจะไว้วางใจในตัวของท่านเองและเชื่อในการกระทําของท่านเองดูก่อนในโจรธรรมดาการให้อะไรแก่ผู้ใดเมื่อผู้นั้นยินดีรับจึงควรให้การให้นั้นจึงจะมีผลสมบูรณ์และควรให้เฉพาะของที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับเท่านั้น โลหิตในลําคอของเราจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าแม่บ้างเมื่อท่านจับคนหรือสัตว์เชือดคอให้เลือดพุ่งเข้าสู่ปากของเจ้าแม่นั้นเคยปรากฏบ้างไหมว่าเจ้าแม่ได้เคยกลืนกินโลหิตนั้นทั้งหมดด้วยความยินดีโดยไม่ยอมให้โลหิตนั้นหยดทิ้งแม้แต่หยดเดียวก็ไม่เคยปรากฏเลยท่านสมณนะ เคยเห็นแต่เลือดนั้นพุ่งออกจากปากของเจ้าแม่แล้วก็ไหลาอาบลําตัวลงไปนอนอยู่ที่พื้นส่งกลิ่นคลากลุ้มตลบไปนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเจ้าแม่ไม่ยินดีที่จะบริโภคโลหิตเหล่านั้นเพราะโลหิตเหล่านั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าแม่เลยมีแต่จะทําให้เจ้าแม่สกปรกเลกเอะเทอะเปือเป้อนไปเปล่าๆเท่านั้นเพราะฉะนั้น การที่ท่านอโรหิตจากลาคอของสัตว์หรือมนุษย์บูชาเจ้าแม่จึงไม่เกิดประโยชน์อะไรอีกประการหนึ่งเราใคร้จะถามว่าเมื่อท่านจับคนหรือสัตว์เชียดคอนั้นเขายินยอมให้ท่านทำาด้วยดีหรือในโจรก็ตอบว่าหาไม่ได้เลยท่านสมณนะเขาไม่ได้ยินยอมให้ข้าไปเจ้าทำแต่โดยดีเลยมีแต่ต่อสู้ดินน้นรนจนสุดความสามารถที่เดียว ดูก่อนในโจรเชตกะท่านทราบไหมว่าเขาต่อสู้ดิ้นรนเพราะอะไรข้าพเจ้าก็คิดว่าเขาคงจะกลัวตายละมั้งถูกแล้วสัตว์ทั้งหลายต้องสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายสัตว์ทั้งหลายต่างปรารถนาความสุขสบายเกลียดหน่ายต่อความทุกข์สิ่งที่สัตว์รักที่สุดก็คือชีวิต สิ่งที่สัตว์กลัวที่สุดก็คือความตายคนอาจจะยอมเสียสละคนอื่นสมบัติอื่นตลอดถึงอวัยวะบางส่วนเพื่อให้ชีวิตคงอยู่เมื่อท่านแย่งกิงเอาลูกเมียเขาก็ชื่อว่าแย่งกิงลูกเมียเขาเมื่อท่านต้นทัพย์เขาก็ชื่อว่าต้นทัพย์เขาแต่ถ้าท่านปล้นชีวิตเขาท่านปล้นทุกสิ่งทุกอย่างชีวิต มีค่าสูงผู้ที่เรารักที่สุดคือผู้ให้ชีวิตแก่เราคือมารดาบิดาผู้ที่เราชังที่สุดคือผู้ที่เอาชีวิตของเราไปเราอาจจะรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้อื่นแต่เราจะได้ภูมิใจที่สุดเมื่อได้ให้ชีวิตแก่ผู้อื่นเมื่อพระพิสุรูปนั้นกล่าวมาถึงตอนนี้ ความเลื่อมใสศรัทธาของนโจรได้ขึ้นถึงขีดสุดเขาก้มลงกราบแทบเท้าของท่านด้วยความนอบน้อมพลางกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่าข้าแต่ท่านสมณะวาจาของท่านช่างมีเหตุผลและไพเราะจับใจเสียหนิกอไรข้าพเจ้าไม่เคยฟังผู้ใดแสดงเหตุผลแจมแจ้งเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิตถ้าข้าพเจ้าได้ฟังเช่นนี้มาก่อน ข้าพเจ้าคงจะไม่เป็นโจรร้นชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นเลี้ยงชีพอา น, นิจจาชีวิตในอดีตของข้าพเจ้าช่างสกรปรกโสมมและมืดมัวเสียจริงๆท่านเป็นผู้นําแสงสว่างคือเหตุผลเข้ามาสู่จิตใจอันมืดมัวของข้าพเจ้าโดยแท้ข้าแต่ท่านผู้เจริญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าและบริวารทั้งหมดจะเลิกอาชีพโจร ข้าพเจ้าขอมอบตัวเป็นสานุสิทธิ์ของท่านจะตามไปปรนนิบัติท่านทุกแห่งหนนพระพิสุรูปนั้นได้แสดงธรรมโปรดพวกโจรเกือบตลอดคืน จนกระทั่งโจรทุกคนรวมทั้งเลวตะด้วยต่างมีศรัทธาอันมั่นคงในพระพุทธศาสนาพระพิสุได้ให้พวกโจรปฏิญาณตนถึงพระตัณไกลและสมาทานศีลห้าทั่วกันค่ายโจรในคืนวันนี้ได้กลายเป็นค่ายของผู้ทรงศีลผู้มีอาวุธอันวางแล้วผู้สงบจากอากุศลกรรมทั้งปวง บรรยากาศภายในค่ายโจนสงบเงียบเยือกเย็นตรงกันข้ามกับคืนที่แล้วมาซึ่งเต็มไปด้วยเสียงเอะอโวยวายเสียงร้องลํำทำเพลงของเหล่าโจนผู้เมาหมาย ลุ่ขึ้นพระเถระก็นำเหล่าโจรผู้กลับใจออกจากดงใหญ่มุ่งสู่แดนมนุษย์ทิ้งข่ายโจรพร้อมด้วยสัตว์าอาวุธและรูปของเจ้าแม่กาลีไว้อย่างไม่อะไรใหญ่ดีในที่สุดก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งริมปากทางเข้าดงชาวบ้านทั้งหลายเมื่อเห็นพวกโจรยกมาก็พาดกันแตกตื่นวิ่งหนีกันเป็นโอลมมน ภายหลังเมื่อได้ทราบว่าพวกโจรเหล่านั้นได้สิ้นปรพยชน์เสียแล้วก็พากันกลับมาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพระเถระได้ให้โจรทั้งหมดอุปสมบทเป็นพิสุด้วยติสระณนะขามานูปสัมปทาแล้วก็อยู่จำพรรษาที่หมู่บ้านนั้นตามคำอาราธนาของชาวบ้านตลอดพรรษานั้นท่านได้สั่งสอนอบรมชาวบ้านให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันงาม และได้อบรมพระพิสุสงฆ์ผู้เป็นบริวารให้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเร่งรัดให้เห็นภัยในวัฏสงสารเรียบดำเนินตามมรรคาสู่ความพ้นทุกข์พิสุทั้งหลายต่างพากันตั้งอยู่ในโอวาลของท่านด้วยดีบางองค์ก็ได้สําเร็จมรรคผลชั้นสูงบางองค์ก็ได้สําเร็จผลชั้นต่ําบางองค์ยังเป็นกาลยานปุถุชน ตามสมควรแก่อุปนิสัยและบารมีที่ตนได้อบรมมาแต่ปางบัน ระเครหบดีพร้อมทั้งปริวาณบางคนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อพวกโจรปล่อยเป็นอิสระแล้วก็รีบออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงสาวัตถีคืนสู่ลูกเมียซึ่งกำลังตั้งตางคอยอยู่ทางบ้านท่านเครือหบดีไม่ได้อุปสมบทพร้อมกับพวกโจรเพราะยังมีความเป็นห่วงทางครอบครัวอยู่ก่อนจะออกจากดง ท่านได้ไปยังจุดที่ถูกโจนปล้นเก็บรวบรวมซากศพของพ่อค้าบริวารรวมทั้งของชัยเสมลูกชายคนเดียวของท่านทำชาปนากิจภายในดงนั้นเองแล้วจึงเดินทางกลับบ้านด้วยความเศร้าสลดใจ ธรรมเนียมของภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่ออุปสมบทแล้วจะต้องอยู่ในสำนักพระอุปชาอาจารย์ศึกษาระเบียบวินัยของพระและปฏบิบัติบำรุงท่านครบห้าปีก่อนจึงจะถือว่าเป็นผู้ใหญ่มีความรู้ความสามารถพอที่จะคุ้มครองตัวเองได้เมื่อครบห้าปีแล้วอาจจะแยกจากพระอุป a าอาจารย์ไปอยู่ที่อื่นได้เรวัตะภิกษุ ได้อยู่ปฏิบัติบำรุงอาจารย์อยู่จนครบห้าปีตามธรรมเนียมตลอดเวลาหปีอันยาวนานนั้นท่านได้ตั้งหน้าศึกษาเล่าเรียนระเบียบวินัยและข้อวัดปฏิบัติของพระจนช่ำชองแล้วก็เอาใจใส่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเป็นที่พออกพอใจของพระพัตถยาเถระผู้อาจารย์เป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่บรรลุมรรคผลชั้นใด เพราะบารมีของท่านยังไม่แก่กล้าพอที่จะตัดความห่วงใยทั้งปวงได้เฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นห่วงมารดาบิดาของท่านตลอดเวลาตั้งแต่จากกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วยังไม่เคยพบหน้าพบตากันเลยแม้แต่ข่าวคราวก็ไม่ได้รับทราบไม่ทราบว่าท่านทั้งสองอยู่แห่งหนตําบลใดหรือเป็นตายร้ายดีประการใดในระหว่างเป็นโจร ท่านได้ลืมเลือนมารดาบิดาไปชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่หลังจากได้อุปสมบทเป็นภิกษุแล้วความคิดถึงมารดาบิดาได้รุนแรงขึ้นทุกวันจนในที่สุดท่านได้ตัดสินใจกราบลาอาจารย์ออกเดินทางตามหาผู้บังเกิดกล้าวต่อไป เรวัตะได้กลายเป็นคนพจอนจรอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ผิดกับคราวก่อนซึ่งเป็นเพียงเด็กจันทานผู้ไรเดียงสาต่อชีวิตคราวนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่และเป็นภิกษุทรงศีลท่านเดินทางไปอย่างสบายไม่รีบร้อนเมื่อถึงหมู่บ้านก็เข้าพักอาศัยและสืบถามหาบิดามารดาในเวลาเดียวกันก็อบรมสั่งสอนชาวบ้าน ให้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็เดินทางต่อไปสองเดือนผ่านไปก็ยังไม่ทราบวี่แววเกี่ยวกับบิดามารดาเลยแต่ท่านก็ยังไม่หมดความอุตสาหะยั ง, งก้มก้มหน้าเดินทางสแสวงหาต่อไปด้วยความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวมั่นคงจนกระทั่งบรรลุถึงแว่นแควนฝ่ายเหนือแถบภูเขาหิ ม, มวันตบันพศ วันหนึ่งเรวตัตภิกษุได้เดินทางผ่านป่าใหญ่ตลอดวันจนเวลาค่ำมืดย่างเข้ามาแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพ้นป่าท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียและหิวกระหายเป็นกําลังเพราะไม่ได้ฉันอาหารและดื่มน้ําเลยตลอดวันเนื่องจากอยู่ในป่าใหญ่ไม่มีบ้านเรือนของผู้คนเลยด้วยไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้ภิกษุหนุ่ม จึงแวะเข้าข้างทางนั่งลงใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งและนวดเฟ้นตามแข้งขาของตัวเองเพื่อบรรเทาความเมื่อยขบต้นไม้ทุกต้นในบริเวณนั้นยืนต้นสงบอยู่ในความเงียบคล้ายกับกําลังจ้องมองเรวตะภิกษุด้วยความสนใจบรรยากาศในป่าหนาวเย็นและเงียบสงัดวังเวงยิ่งนักถ้าคืนนี้ ไม่ได้ดื่มน้ําเลยแล้วคงจะหมดเดี่ยวแรงเดินไม่ได้เป็นแน่ภิกษุหนุ่มรำพึงกับตนเองแต่ป่านี้คงจะมีลําธารสักแห่งหนึ่งกระมังลองพยายามเดินต่อไปอีกหน่อยเถอะขณะที่พิกษุหนุ่มพยุงกายลุกขึ้นเพื่อเดินทางต่อไปนั่นเองหูของท่านก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนดังแว่วมาแต่ไกล ท่านเงียวหูฟังด้วยความเอาใจใส่เสียงนั้นดังอยู่อย่างชัดเจนและดังมาทางข้างหน้าที่ท่านจะเดินทางไปเสียด้วยคงจะเป็นบ้านคนแน่พิกษุหนุ่มกล่าวออกมาด้วยความดีใจแล้วก็รีบเดินทางฝ่าความมืดต่อไปด้วยความหวังที่จะพบบ้านคนท่านเดินไปเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็เริ่มรู้สึกตัวว่า ตัวเองกำลังจะพ้นจากป่าใหญ่เพราะสังเกตดูต้นไม้เริ่มห่างออกห่างออกจนกระทั่งเป็นที่เวงว้างภิกษุหนุ่มรู้สึกโล่งใจมองไปข้างหน้าเห็นดวงไฟดวงหนึ่งกำลังส่องแสงวอบวบแวมแวมอยู่ท่ามกลางความมืดจึงรีบเดินตรงไปทางดวงไฟนั้นในที่สุดก็พบกระท่อมน้อยหลังหนึ่งยืนตัวสลวยอยู่ในความมืด พระเลวัตะตรงไปเคาะประตูเรียกเจ้าของทันทีทันใดนั้นก็มีเสียงเ้าๆดังออกมาจากในกระท่อมว่าใครกันลึมาจากไหนล่ะเราเป็นพระภิกษุเดินทางไกลถ้าท่านไม่ขัดข้องเราจะขอพักกับท่านสักคืนหนึ่งเลวตะภิกษุตอบเสียงข้างในกระท่อมเงียบไปครู่หนึ่ง แล้วก็กล่าวขึ้นว่าท่านพักกับข้าพเจ้าไม่ได้ล็อกข้าพเจ้าเป็นคนจันทานท่านเป็นพรามจงไปหาที่พักกับพวกพราม์เถิดพอได้ยินคําว่าจันทานภิกษุหนุ่มก็หววคิดถึงสภาพเดิมของตนขึ้นมาทันทีแต่ก็ยังคิดไว้จึงได้ตอบไปว่าเราไม่ใช่พราม์หรอกถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นกรรษัตริย์ละสิ ไม่ใช่เราไม่ใช่กริยัไม่ใช่พราหมณ์ไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่สูตรไม่ใช่จันทานแต่เราเป็นคนเช่นเดียวกับท่านเออแปลกมากพิกษุท่านพูดแปลกมากชายเจ้าของกระท่อมพูดหลังจากนิ่งไปครู่หนึ่งถ้าท่านไม่รังเกียจข้าพเจ้าก็ยินดีต้อนรับท่านว่าแล้วก็เปิดประตูให้พระพิษุหนุ่มเดินเข้าไป เชิญท่านนั่งบนเตียงนั่นก่อนสิชายเชล่าเจ้าของกระท่อมกล่าวพลางชี้มือไปยังเตียงอันคล่ำคล่าที่ริมฝาผนังด้านหนึ่งหมอน้ําก็ตั้งอยู่ตรงนั้นนะ่ะเชิญท่านดื่มตามประสงค์เถอะข้าพเจ้าเป็นคนยากจนจึงขอต้อนรับท่านตามมีตามเกิดอย่างนี้แหละนะว่าแล้วชายแก่ก็เดินไปนั่งที่ริมเตาไฟเอามืออังไฟ แสดงว่าหนาวเต็มที่เรวตัตตาภิกษุค่อยๆหย่อนตัวลงนั่งอยู่บนเตียงซึ่งไม่มีอะไรปูวางห่อสังขติไว้บนเตียงวางบาดไว้บนพื้นแล้วก็มองดูรอบๆห้องภายในห้องนั้นนอกจากชายแ ก, ก่คนนั้นแล้วก็ไม่มีใครอีกเลยบนราวไม้ข้างๆกาแพงก็มีผ้าเก่าๆสองสาผืนพนาดอยู่ใกล้ๆ ก, กับเตาไฟก็มีหม้อดิน และเครื่องหุงต้มวางไว้หม้อน้ำขนาดเครื่องตั้งอยู่ที่ริมประตูมีมีดขวานและเครื่องเหล็กวางซุมไว้ทางมุมกำแพงด้านหนึ่งเมื่อตรวจดูรอบๆห้องแล้วท่านก็หันไปจับตามองดูชายแก่เจ้าของกระท่อมที่กลาลังนั่งผิงไฟเฉยๆอยู่แกเป็นคนอายุประมาณหกสิบกว่าแล้วแต่ยังดูล่ำสันแข็งแรงอยู่ แกนุ่งผ้าเก่าๆอีกผืนหนึ่งคลุมไหล่ไว้ดูท่าทางแกไม่มีความสนใจอาการตุกกะแปลกหน้าของแกเลยพิสษุนหนุ่มกรองน้ำจากหม้อดื่มจนพอแกความต้องการแล้วก็กลับไปนั่งบนเตียงน้ำดื่มอันเย็นจืดสนิททำให้ท่านรู้สึกสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงขึ้นเป็นอันมากชายแกยังคงนั่งจ้องมองดูเปลวไฟในเตาเฉออยู่ อย่างคนที่กําลังคิดไปไกลๆพิกูุนหนุ่มเห็นภาพเช่นนั้นแล้วก็เกิดความสงสารอยากจะสนทนาปลาใสาด้วยแต่ก็เกรงจะเป็นการทําลายสมาธิของแกไปความจริงควรจะเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านผู้มีอัธยาศัยที่จะมาไต่ถามข่าวความทุกข์สุขกับแขกของตนแต่ชายคนนี้ดูมีอัธยาศัยเอื้อเฟื้อดี แต่ไหนจึงนิ่งเฉยไม่แสดงความสนใจใยดีต่อแขกของตนเลยบางทีเขาอาจจะเกรงใจภิกษุหนุ่มกระมังคิดดังนี้แล้วเรวัตะาภิกษุจึงเริ่มการสนทนาขึ้นว่าดูก่อนอุบาสกอาตมาขอขอบใจท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้การอนุเคราะห์แก่อาตมาในคราวนี้อาตมาจะไม่ลืมบุญคุณของท่านเลยถ้าไม่เป็นการรบกวน ต่อความสงบของท่านอาตมาอยากจะสนทนากับท่านบ้างชายแก่หันมาทางพระเรวัตะแล้วกล่าวตอบโดยไม่ได้มองหน้าท่านเลยว่า mm. เชิญท่านสนทนาเถิดข้าพเจ้าไม่ขัดข้องแต่อย่างใดตั้งแต่ก้าวเข้ามาในกระท่อมนี้อาตมาไม่เห็นมีใครอยู่ด้วยเลยท่านอยู่ที่นี่คนเดียวหรือถูกแล้วข้าพเจ้าอยู่คนเดียว ใช่แก่ตอบตายังจับจ้องอยู่ที่ไฟในเตาอัตมาเดินทางมาไกลจนไม่รู้ที่ไหนเป็นอะไรโปรดบอกอัตมาด้วยว่าที่ที่เราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นแคว้นไหนกันแน่ก็เป็นเขตของเมืองปาวานครจากที่นี่ไปยังเมืองปาวาเป็นระยะทางประมาณหนึ่งคาวุธจากปาวาไปก็เป็นกรุง ก, กบิลพัทซึ่งอยู่ทางปัจฉิ ม, มทิศ เป็นระยะทางสิบยชอดภูเขาหิมะวันตะบันพศอยู่ทางทิศเหนือในเวลากลางวันท่านอาจจะมองเห็นยอดเขาต่างๆได้อย่างชัดเจนชายแก่ตอบพลางเอาไม้เขี่ยไฟในเตาให้ลุกโชนขึ้นท่านให้คำตอบแก่ข้าพเจ้าอย่างชัดเจนมากท่านอยู่ที่นี่ประกอบอาชีพอะไรหรืออาชีพของท่านยังเจริญดีอยู่ดอกหรือ ข้าพเจ้าประกอบอาชีพทางตัดฟืนขายชายแก่ตอบคำตอบของแก่ทำให้ภิกษุหนุ่มหวนคิดถึงสภาพเดิมของตนอีกครั้งหนึ่งก่อนนับว่าพอยังอัตภาพให้เป็นไปเพราะว่าข้าพเจ้าอยู่คนเดียวถึงรายได้จะน้อยแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วท่านไม่มีบุตรภรรยาเลยหรือ ข้าพเจ้ามีภรรยาคู่ทุกข่ยากอยู่คู่หนึ่งแต่เธอได้ตายเสียแล้วตั้งแต่ต้นปีนี้เองหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็อยู่คนเดียวชายชร า, าตอบด้วยเสียงค่อนข้างสั่นเครือแสดงว่าพูดด้วยความเศร้าโศกท่านสมณะชีวิตของข้าพเจ้าเป็นชีวิตที่แสนจะลำเค็นตั้งแต่เกิดมาข้าพเจ้าไม่เคยพบกับความสุขสบาย กับโลกเขาเลยชีวิตของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยการอพยพโยกย้ายและการพลัดพรากและความยากจนเข็นใจอย่าน้อยอกน้อยใจไปเลยอุบาสกภิกษุหนุ่มปลอบไม่เฉพาะท่านเท่านั้นดอกที่มีชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ยังมีคนอีกเป็นจํานวนมากที่ต้องทุกข์ยากลําบากเหมือนท่านที่ลําบากยิ่งกว่าท่านก็มีและบุตรทิดาเล่า ท่านมีกับเขาบ้างไหมข้าพเจ้ามีบุตรอยู่คนเดียวไม่มีธิดาเลยแต่เวลานี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ซะแล้วอ้าวแล้วเขาอยู่ที่ไหนกันละ่ะพิสุนหนุ่มถามด้วยความสนใจเออเขาอยู่ที่กรุงสาวัตถีนครหลวงของแคว้นโกศลเราจากกันมาหลายปีแล้วเมื่อข้าพเจ้าจากมานั้นเขามีอายุเพียงสิบห้าปีเท่านั้นเอง แต่เวลานี้เขาคงจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วละ่ะคำตอบของชายแก่ทำให้ภิกษุหนุ่มต้องนั่งคิดทวนลำดับชีวิตของชายแก่คนนี้เลอะเกินบุตรของท่านมีนามว่ากระไรหรือเหตุไนท่านจึงจากเขามาเสียดูท่านช่างสนใจที่จะทราบชีวิตประวัติของข้าพเจ้าเลอะเกินนะชายแก่พูดพลางจ้องดูภิกษุหนุ่ม มีรอยยิ้มแย้มบนใบหน้าอันเหี่ยมเกรียมนั้นบ้างเขาคงจะรู้สึกขำที่เห็นพิสุหนุ่มแสดงความกระตือรือร้อนในชีวิตประวัติของเขาบุตรของข้าพเจ้าก็ชื่อเรวัตตเหตุที่ต้องจากเขามาก็เพราะความจนตัวเดียวนั่นแหละท่านสมณะเอ๋ยก่อนที่จะจากมาข้าพเจ้าก็ได้ปรึกษากับภรรยาแล้วนำเขาไปฝากไว้กับ ท่านสุมังคละครืหะปุดีแห่งปรุงสาวสถีท่านก็กรุณารับไว้และให้การอุปถัมเป็นอันดีป่านนี้เขาคงจะมีความสุขความสบายไปแล้วละ่ะบางทีเขาอาจจะลืมพ่อของเขาไปแล้วก็ได้ชายแก่ถอนหายใจอย่างนหนักน่วงพลางก้มหน้าเป่าไฟต่อไป พิสุหนมต้องใช้สมาธิกิดอย่างหนักเพื่อข่มความตื่นเต้นดีใจอันคลุกเคล้าไปด้วยความเศร้าที่อัดแน่นขึ้นมาในหัวใจพระบัตรนี้ท่านได้พบบิดาของท่านแล้วชายชราเจ้าของกระท่อมน้อยนี้เองคือบิดาของท่านเป็นการพบท่านโดยปัจจุบันทันด่วนโดยไม่ได้คาดหมายมาก่อนเลยท่านเกือบจะเผลอตัวตรงเข้าสวมกอดบิดา และบอกความจริงแก่ท่านแต่ก็ยับยั้งไว้ได้เพราะถ้าชายแกรู้ว่าแขกแปลกหน้าที่กำลังสนทนากับตนอยู่นั้นเป็นเรวัตะลูกชายที่ตนกำลังใฝ่ฝันอยู่แค่อาจจะดีใจจนเกินไปความดีใจเกินไปนั้นอาจจะทำให้แกถึงกับมีสติวิปรลาดไปได้พิสุนุม่มจึงยับยั้งไว้ไม่ได้เผยตัวเองทันที แต่จะค่อยๆเปิดเผยทีละน้อยทีละน้อยเออท่านคิดถึงลูกชายของท่านบ้างไหมเรวัตตาภิกษุถามหลังจากนั่งคิดอยู่เป็นนานพยายามดัดซุ้มเสียงให้ปกติโอ้ท่านสมณะท่านไม่น่าจะถามข้าพเจ้าอย่างนั้นเลยไม่มีเวลาใดที่ข้าพเจ้าจะไม่คิดถึงเขาแม้แต่เวลาหลับเรายังฝันถึงเขาเลย เมื่อคืนที่แล้วมานี้ข้าพเจ้าก็ฝันถึงเขาฝันว่าเขามาเยี่ยมข้าพเจ้าถึงเมืองปาวานี้ทีเดียวแหละในฝันนั้นข้าพเจ้าก็ดีใจอย่างที่สุดแต่เมื่อตื่นขึ้นก็รู้ว่ามันเป็นเพียงแต่ความฝันข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าใจอย่างที่สุดถ้าสมมุติว่าบุตรชายของท่านมีความสุขสบายอยู่ทางกรุงสาวัตถีแล้วก็ลืมท่านเสียอย่างสนิท ท่านจะยังคิดถึงเขาอยู่อีกหรือพิกษุนุมแกล้งถามชายแก่มองดูลูกชายของท่านเองอย่างไม่สู้จะพอใจนักแล้วกล่าวว่าเออเป็นไปไม่ได้หรอกลูกของข้าพเจ้าเขาเป็นคนดีมากเขาจะลืมพ่อของเขาไม่ได้เขาก็คงจะคิดถึงข้าพเจ้าเช่นเดียวกับข้าพเจ้าคิดถึงเขานี่แหละเขาจะมาเยี่ยมข้าพเจ้าในความฝันทุกคืน ภิกษุหนุ่มพยายามฝืนยิ้มแล้วกล่าวว่าดูก่อนอุบาสกท่านออกจะเชื่อมั่นในตัวลูกชายของท่านเกินไปเสียแล้วลูกส่วนมากก็จะคิดถึงพ่อแม่ในยามทุกข์เท่านั้นในยามสุขเขาจะมัวเพลิดเพลินไปกับความสุขนั้นแล้วก็ลืมพ่อแม่เสียอาตมาคิดว่าเวลานี้ลูกชายของท่านกําลังเป็นสุขสนุกสนาน อยู่ในพระนครสาวัตถีอันรุ่งเรืองจะไหนเขาจะมามัวเป็นห่วงถึงท่านถ้าเขาคิดถึงท่านจริงเขาก็คงตามรับท่านเอาไปเสวยสุขกับเขานานแล้วเออถ้าอย่างนั้นก็เป็นกรรมของข้าพเจ้าหรืสิชายแก่กล่าวด้วยเสียงอ่อยใบหน้ากลับเศร้าลงไปอีกแก้พระจากเตาไฟขึ้นเดินไปที่ประตูมองผ่านช่องเล็ก ที่ประตูออกไปยังความมืดและความหนาวเย็นข้างนอกอย่างกระวนกระวายใจแกยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วกลับไปนั่งที่เตาไฟตามเดิมพิสษุนหนุ่มเฝ้าดูอาการแห่งบิดาของตนด้วยความสงสารยิ่งแต่ก็ยังตั้งใจแน่วแน่ที่จะอัมพรางต่อไปอุบาสกเอย๋ยอยากเป็นห่วงคิดถึงลูกชายของท่านให้มากนักเลย จงยินดีเถิดว่าเขามีความสุขแล้วควรจะห่วงตัวของท่านเองนั่นแหละให้มากเพราะท่านก็แก่ชราข่ำค่ามากแล้วท่านเปรียบเสมือนต้นไม้ซึ่งอยู่ใกล้ฝั่งคือความตายแม้ท่านจะแสนคิดถึงลูกชายเขาก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้ตัวท่านเองเท่านั้นที่ช่วยท่านได้ฉะนั้นจงคิดถึงตัวท่านเองจงช่วยตัวท่านเอง จงเร่งรีบทําคุณงามความดีเข้าความดีนั่นแหละจะช่วยท่านพิสุนุ่มได้แสดงเหตุผลต่อไปอีกมากมายจนกระทั่งชายแก่เริ่มบรรเทาความเป็นห่วงคิดถึงเรวตัตตลูกชายของตนหลงไป้บ้าง ยิ่งดึกเท่าไรบรรยากาศก็ยิ่งหนาวเย็นลงไปเท่านั้นจนภิกษุหนุ่มต้องเอาสังคติออกมาคลี่หม่มแม้จะเหน็ดเหนื่อยเพราะการเดินทางไกลท่านก็ยังอยากจะสนทนากับบิดาอีกต่อไปฝ่ายชายแก่ผู้เป็นบิดาก็ดูเหมือนจะสนใจในอาคารตุกกะของตนอยู่ไม่น้อยเพราะแม้จะยังหนุ่มแต่ก็ดูพูดจามีเหตุผลน่าฟัง คำพูดของพี่สุนุมทําให้แกคลายความคิดถึงความอาลัยในบุตรชายลงไปมากทีเดียวดูก่อนอุบาสกสมมุติว่าบุตรชายของท่านจะมารับท่านไปอยู่ด้วยที่กรุงสาวัตถีท่านจะไปกับเขาไหมเออขขาพระเจ้าต้องตรึกตรองดูก่อนใช่แก่ตอบอย่างใช้ความคิดเออถ้าการไปของเขาพเจ้า จะเป็นเครื่องลบกวนความสุขของลูกแ ล, แลก้วล้ก็ข้าพเจ้าก็คงจะไม่ไปหรอกเพราะอยู่ที่นี่ก็หาฟืนง่ายราคาก็งามขายฟืนเกวียนเดียวก็พอกินไปได้ต้องเวลารวมเดือนแล้วก็ถ้าสมมติว่าลูกชายของท่านไม่เยี่ยมท่านที่กระท่อมนี้ท่านจะยินดีไหมพิสุเลวตะถามเริ่มหัน เข้าหาทางที่จะเปิดเผยตัวเองโอ้แน่นอนทีเดียวท่านสมณะข้าพเจ้าจะดีใจและมีความสุขที่สุดในชีวิตเมื่อภรรยาคู่ชีวิตของข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ความรักของข้าพเจ้าก็แยกออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ภรรยาอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บุตรชายเมื่อภรรยาของข้าพเจ้าดับขันลงไปความรักทั้งหมดของข้าพเจ้า ก็รวมอยู่ที่บุตรชายคนเดียวเขาจึงเป็นดั่งดวงใจของข้าพเจ้าปราบใดที่เรายังแยกกันอยู่ข้าพเจ้าก็จะอยู่อย่างคนไม่มีดวงใจถ้าเขามาเยี่ยมข้าพเจ้าก็ เ, าเท่ากับดวงใจของข้าพเจ้าได้กลับคืนมาอุบาสกเอย๋ยเวลานี้ท่านได้อยู่ใกล้ลูกชายของท่านแล้วชายแก่หันมามองพระภิกษุด้วยดวงตาเบิกกว้าง แล้วกล่าวอย่างร้อนรนว่าเ อ, อท่านหมายความว่าอย่างไรนะสมณนะท่านพบเขาหรือเขากําลังเดินทางมาเยี่ยมข้าพเจ้าหรือมิใช่กําลังเดินทางมาแต่มาถึงแล้วทีเดียวพิสูจนมตอบพลางยิ้มเปไน็นในในชายแก่โผเข้ามาจับแขนทั้งสองข้างของพระบุตรชายเขยา่าพลางถามอย่างตื่นเต้นว่าเออเวลานี้เขาพักอยู่ที่ไหนกันละ่ะท่านสมณนะ โปรดบอกข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะรีบไปพบเขาเดี๋ยวนี้แหละเขาก็อยู่ข้างหน้าท่านนี้แล้วไงละ่ะท่านก็กาลังสนทนากับเขาอยู่ด้วยชายแก่จ้องมองดูหน้าพระพิสุหนุ่มอย่างทีท้วนด้วยความรังเลใจแล้วกล่าวขึ้นอย่างละล่ำละลักว่าฮะหมายความว่าอาท่านเป็นเลวัตะบุตรของข้าพเจ้าจริงๆหรือนี่ เกศชงกหน้าไปมองดูทางด้านหลังของภิกษุหนุ่มตรวจดูที่บริเวณท้ายทอยอย่างถี่ถ้วนในที่สุดก็พบเครื่องหมายสำคัญประจำตัวลูกชายของแกคือไฟเม็ดหนึ่งที่บริเวณท้ายทอยพอพบไยเท่านั้นชายชร า, าได้โผลเข้าสวมกอดเรวัตะภิกษุอย่างมั่นคงศพหน้าลงไปกับไหลของพระลูกชายแล้วก็สะอื้นให้ด้วยความตื้นตันใจ สุดที่จะทนทานได้พระเรวัตตะเอามือรูปหลังบิดาไปมาด้วยความเศร้าสลดใจและสงสารบิดาอย่างสุดซึง้งสองพ่อลูกกอดกันสะอึกสะอื้นอยู่ท่ามกลางความเงียบและความหนาวเย็นแห่งรัตติกาลเมื่อได้สติขึ้นมาพิสุนุ่มจึงกล่าวปลอบโยนบิดาขึ้นว่าหยุดร้องไห้เสียเถิดบิดาเอ้ย จงดีใจจงเป็นสุขเถิดที่ได้พบลูกชายแล้วตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะไม่ต้องแยกกันอีกต่อไปแล้วลูกเอ้ยพ่อไม่เคยคิดว่าจะได้พบเจ้าในลักษณะเช่นนี้เลยชายแก่กล่าวพางสะอื้นเมื่อเห็นหน้าเจ้าพ่อก็คิดถึงแม่เจ้าถ้าแม่ของเจ้ายังมีชีวิตอยู่นางก็คงจะดีอกดีใจสักเพียงไหนเจ้ามาถึงช้าไป ไม่ทันที่จะเห็นใจแม่พัติดาเอ๋ยวิญญาณของเจ้าอยู่แห่งไหนบัดนี้ลูกของเราได้มาถึงแล้วมาดูหน้าลูกของเราด้วยกันเถิดชายแก่เรียกวิญญาณของภรรยาด้วยเสียงอันแหบเครือพิกษุนุ่มรู้สึกอันอั้นปันใจเมื่อไม่รู้จะปลอบโยนโยมบิดาอย่างไรดีจึงได้แต่เอามือลูบหลังบิดาอยู่ไปมา เมื่อได้สติกลับคืนภิกษุหนุ่มได้พยุงชายชาลาผู้เป็นบิดาไปนั่งอยู่บนเตียงและตัวเองก็นั่งลงใกล้ๆเดวตะของพ่อชั่วระยะเวลาหลายปีที่เราจากกันลูกเปลี่ยนแปลงไปมากชายชาลาพูดพลางเอามืออันเยือกเย็นลูบหน้าลูบหลังลูกชายด้วยความรักใคร่เอ็นดูนี่ถ้าลูกไม่บอก พ่อก็คงจะไม่มีวันรู้จักเลยไหนลองเล่าให้พ่อฟังสิลูกเป็นอย่างไรมาอย่างไรจึงได้มาพบพ่อเรวตตาพิสุ เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้โยมบิดาฟังตั้งแต่อยู่กรุงสาวัตถีกับสุมังคระคฤหะบดีจนกระทั่งหนีไปเป็นโจรอยู่ในป่าและได้บวชเป็นพระพิษุในพุทธศาสนาบัดนี้อาตมาได้สละโลกออกบวชแล้วไม่เกี่ยวเกาะกับเรื่องของทางโลกอีกต่อไปชีวิตของอาตมาเป็นชีวิตที่อิสระไม่มีเครื่องผูกพันใดๆ อาตมาเป็นสุขสบายแล้วสิ่งเดียวที่อาตมายังเป็นห่วงอยู่ก็คือโยมบิดานี่เองอาตมามาอยู่ที่นี่ก็ด้วยมุ่งหมายที่จะช่วยฉุดบิดาให้ขึ้นจากห่วงแห่งความทุกข์ทุกเพราะความยากจนเข็นใจทุกเพราะความพัดพลากจากลูกทุกเพราะความพัดพลากจากภรรยาถ้าโยมบิดายังอยู่ในสภาพเช่นนี้อีกต่อไป บิดาก็จะไม่มีวันพ้นจากห่วงทุกข์มาเถิดบิดาเอ้ยไปกับอาตมาเถิดอาตมาจะพาไปสู่แดนแห่งความสุขแดนแห่งความสงบแดนแห่งความอิสระเสรีสองพ่อลูกคุยกันอยู่เป็นเวลาล่วงเข้าปัจจิมยามจึงแยกกันไปนอนชายแก่พยายามสะกดใจจะให้หลับแต่ก็ไม่สำเร็จความตื่นเต้นดีใจ ที่ได้พบลูกชายยังคงคุกรุ่นอยู่ในใจส่วนเลวตาภิกษุได้หลับไปในไม่ช้าเพราะความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางลมหนาวที่แทรกเข้ามาตามรอยแยกของฝาผนังทำให้แกหนาวสัน่นและเป็นห่วงลูกชายซึ่งกำลังหลับสนิทอยู่บนเตียงแกพยุงกายลุกขึ้นเอาฟืนใส่เข้าไปในกองไฟอีกทำให้ไฟลุกโผล่ขึ้น ขับไล่ความหนาวเย็นออกไปจากกระท่อมน้อยชายชรานั่งอยู่ข้างๆกองไฟหันไปมองดูลูกชายเป็นครั้งคราวเมื่อเห็นลูกชายแก่ก็อุ่นใจแต่ในเวลาเดียวกันก็เศร้าใจเพราะคิดถึงภรรยาผู้ล่วงลับไปแล้วพัฒ ด, ดาเอ๋ยเมื่อจวนจะสิ้นใจเจ้าก็บนเพอละเมอถึงแต่ลูกชาย ชายแก่บนพึมพำอยู่คนเดียวเมื่อลูกชายมาถึงแล้วเจ้าก็กลับไม่ได้เห็นเขาเสอีกโอ้อันนี้จะาชายแก่ซบหน้าลงกับฝ่ามือแล้วก็สะอื้นด้วยความอาลัยคิดถึงภรรยา พสุนุมได้ตื่นขึ้นเมื่อแสงเงินแสงทองจับขอบฟ้าเมื่อเห็นบิดานั่งอยู่ข้างกองไฟท่านจึงถามขึ้นว่าโยมบิดาตื่นนานแล้วหรือโอ้พ่อนั่งอยู่ที่นี่ตลอดคืนนั่นแหละยังไม่ได้หลับเลยท่านบิดาไป น, นอนเสียเถิดอย่าได้เป็นห่วงอาตมาเลยประเดี๋ยวก็จะไม่สบายอ๋อไม่เป็นไรดอก พ่อมันเคยเส้อแล้วบางทีไม่ได้หลับติดๆกันตั้งสองคืนสามคืนก็ยังเคยคืนนี้พอดีใจเหลือเกินที่ได้พบกับลูกพอรู้สึกคล้ายกับว่าตายแล้วเกิดใหม่ทีเดียวชายแก่กล่าวพางลุกขึ้นไปเปิดประตูกระท่อมแล้วเดินหายออกไปข้างนอกคู่ใหญ่ผ่านไปจึงได้กลับเข้ามาเออเช้าวันนี้ พ่อจะต้องบรรทุกฟืนเข้าไปขายในเมืองเพราะถึงกำหนดเวลาวันนี้พ่อจะซื้ออาหารอย่างดีมาฝากลูกรอพ่ออยู่ที่นี่ก่อนนะชายแก่จัดแจงลุ่งห่มผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปในไม่ช้าก็มีเสียงเกวียนดังขึ้นนอกกระท่อมแล้วค่อยๆหายไปในความมืดสลัวแห่งอรุณ สว่างแล้วพิสุนุ่มได้ออกจากกระท่อมไปยืนตรวจดูภูมิประเทศข้างนอกไกลออกไปทางทิศเหนืออาจจะมองเห็นทิวเขาหิมวันตบันพดอันมียอดขาวพโพลนด้วยหิมะสูงโผล่พ้นแนวยอดไม้ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเป็นภาพที่งดงามน่าชมมากสำหรับชาวเมืองใต้ผู้ไม่เคยทัศนาริมถนนที่พุ่งตรง เข้าสู่เมืองปาวาก็มีกระท่อมของคนเขินใจตั้งอยู่เป็นระยะเจ้าของกระท่อมดูเหมือนจะประกอบอาชีพทางขายฟืนทั้งนั้นเพราะกำลังเทียมเกวียนอยู่ก็มีที่เทียมเสร็จแล้วกำลังขับไปก็มีเมื่อได้เวลาบินทบาทพระเลวตะก็ห่มจีวรอุ้มบาทเดินตามกระท่อมต่างๆคนแถบนั้นดูเหมือนจะไม่เคยเห็นพระพิสุ จึงพากันมามุงดูพระเรวตะเป็นหมู่ใหญ่เมื่อท่านเดินไปทางไหนก็ติดตามไปดูบ้างก็ถามข่าวคราวที่ไปที่มาบ้างก็ถามว่าต้องการอะไรเมื่อทราบว่าท่านต้องการพัตหารจึงพากันนําข้าวและอาหารต่างๆมาใส่ลงในบาตรเมื่อได้พออิ่มแล้วพระเลวะตะก็กลับสู่กระท่อมของโยมบิดา แบ่งไว้ให้โยมบิดาพอสมควรแล้วก็ลงมือฉันฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาดเก็บไว้ตามเดิมกว่าชายแก่ผู้เป็นบิดาจะกลับมาถึงก็เป็นเวลาสายมากแล้วแกจัด ก, การปลดกัวออกจากเกวียนปล่อยให้มันไปเที่ยวหากินตามสบายแล้วก็รีบเข้าสู่กระท่อมเตรียมอาหารถวายพระลูกชายแต่เมื่อทราบว่าพระลูกชายฉันเสร็จแล้วแถมยังมีส่วนแบ่งไว้ให้แกอีก ประหลาดใจจึงได้ถามว่าเออเจ้าได้อาหารเหล่านี้มาจากไหนเล่อพระเรวตตก็ได้ตอบว่าอัตมาได้มาจากการบิณฑบาตนะสิแล้วก็อธิบายถึงวิธีการกรองชีพแบบภิกษุให้โยบิดาฟังเมื่อบิดาบริโภคอาหารเสร็จแล้วการสนทนาระหว่างบิดากับบุตรก็เริ่มขึ้นอีก ดูก่อนโยมบิดาในระหว่างเวลาที่เราจากกันมานั้นบิดายังมีความสุขสบายดีอยู่ดอกหรือเออหาไม่ได้เลยลูกเอ้ยพ่อไม่เคยมีความสุขอย่าว่าแต่ในระหว่างที่เราพัดพรากจากกันเลยพ่อไม่เคยมีความสุขตั้งแต่เกิดมาเลยทีเดียวแหละก่อนแล้วบิดาคิดว่าใครบ้างละ่ะในโลกนี้ที่มีความสุขภิกษุหนุ่มถาม อ๋อพ่อก็คิดว่าพวกชนวรณะสูงๆเช่นพวกพราหมณ์กษัตริย์แพทย์ผู้มั่งคั่งและมีทรัพย์มากมีบริวารมากมีเกียรตยิก็คงจะมีความสุขมากนะสิชายแก่ตอบอย่างใช้ความคิดแล้วโยมบิดาเคยเห็นวรณะสูงๆเหล่านั้นหัวเราะสนุกสนานร่าเริงอยู่ตลอดเวลาหรือบางครั้งบางคราวก็เคยเห็นพวกเขา นั่งหน้าเศร้าเป็นทุกข์อยู่เหมือนกันอ๋อบางครั้งบางคราวก็เคยเห็นเขาเป็นทุกข์อยู่เหมือนกันแหละก็นั่นน่ะสิโยมบิดาเอ้ยไม่มีใครเป็นสุขอย่างเดียวอย่างแท้จริงดอกเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์คือความแก่ความเจ็บและความตายทุกข์คือความโศกเศร้าพิรำลําพันธ์ทุกข์เพราะความพลาดพลากจากคนรักของรัก ทุกข์เพราะความประจวบกับคนหรือของที่ไม่พอใจทุกข์เพราะไม่ได้สมปรารถนาความสุขอย่างแท้จริงนั้นไม่มีในโลกนี้เมื่อความทุกข์น้อยลงคนก็เห็นเป็นสุขอันที่จริงหาใช่สุขไม่เป็นเพราะทุกข์น้อยลงนั่นเองพระมหาสาลก็ไดหบดีมหาศาลผู้มีทรัพย์มากมีเครื่องบำบัดทุกมากทุกขของเขาก็น้อยลง จึงมีความสุขอันที่จริงไม่ใช่สุขแต่เป็นทุกข์ที่ได้รับการบาบัดให้ระงับไปชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนกินอาหารระงับความหิวไปได้ชั่วคราวประเดี๋ยวก็หิวอีกคนในโลกนี้เข้าใจว่าสุขอยู่ที่ทรัพย์จึงสแสวงหากันไม่หยุดหย่อนครั้นได้ทรัพย์มาแล้วแทนที่จะมีสุขกลับได้ทุกข์มากขึ้นมีความเป็นห่วงกังวลมากขึ้น อยากได้มากขึ้นต้องต่อสู้ดิ้นรนมากขึ้นคนในโลกนี้ทิ่งพากระไล่กวดความสุขแต่ไม่ทันความสุขสักทีความสุขวิ่งหนีไปอยู่ข้างหน้าเรื่อยๆในที่สุดมัจจุราชก็มาฆ่าเอาชีวิตไป ดูก่อนโยมบิดาคนเราท้าวิ่งไล่ความสุขอยู่จะไม่มีวันพบกับความสุขถ้าอยากพบความสุขต้องหยุดวิ่งหยุดต่อสู้ดินน้นรนแล้วความสุขก็จะเกิดมีเองชีวิตของสมณะเป็นชีวิตที่หยุดวิ่งหยุดต่อสู้ดินน้นรนเป็นชีวิตที่สงบเยือกเย็นเป็นอิสระไม่มีข้อผูกพันทั้งทางกายทางใจ ความสุขชนิดนี้อัตมากําลังเสวยอยู่และอยากจะให้โยมบิดาได้เสวยด้วยฉะนั้นมาไปกับอัตมาเถิดอัตมาจะพาไปหาพระอาจารย์ทางแฟนโกศดแล้วอัตมาจะให้โยมบิดาได้อุปสมบทเป็นสมณะเช่นเดียวกับอัตมาชายแก่นั่งคิดอยู่นานตรวจดูชีวิตของตนเท่าที่มาแล้วในอดีต เปรียบเทียบกับคำพูดของพระลูกชายก็ชักจะเห็นคล้อยตามแต่แกยังเป็นห่วงทรัพย์สมบัติเล็กๆน้อยๆของแกอยู่แล้วก็พูดกับพระลูกชายว่าอ๋อถ้าพ่อจะไปกับลูกแต่เกวียนของพ่อโคของพ่อและก็กระท่อมของพ่อละ่ะจะทำอย่างไรหรือออสิ่งเหล่านี้โยมบิดาไม่ต้องเป็นห่วงจงเป็นห่วงตัวของโยมบิดาเอง กระทอมเวียนโคเป็นทรัพย์ภายนอกเราเกิดมาเราก็ไม่ได้เอามาด้วยแม้เมื่อเราตายไปเราก็าเอามันไปด้วยไม่ได้จำจะต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นใช้สอยแม้เมื่อคนอื่นเขาตายไปเขาก็เอาไปด้วยไม่ได้ต้องทิ้งไว้ให้คนอื่นอีกถ้าคนอื่นตายหมดของเหล่านี้ก็จะทิ้งไว้กับโลกนี้เพราะมันเป็นสมบัติของโลก คนเราเกิดมาก็ยืมโลกใช้ชั่วคราวเมื่อเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ก็ส่งคืนให้แก่โลกเท่านั้นเองที่นั้นจะมามัวเมาเป็นห่วงอะไรกับของคนอื่นเขาภิกษุหนุม่มได้เทศนาอบรมจิตใจของโยมบิดาตลอดวันจนกระทั่งบิดาได้เห็นชีวิตของคารวาสเป็นชีวิตที่แับแคบเต็มไปด้วยภาระผูกพันไร้อิสระภาพ และเห็นชีวิตแบบพระเป็นชีวิตที่กว้างขวางหมดภาระกังวลอิสระเสรีสงบเย็นชายแก่เห็นกระท่อมกเกลียนและโคคู่ชีพของแกเป็นเช่นกับก้อนดินก้อนเดียวที่พึ่งจะสละทิ้งในที่สุดแกก็ตัดสินใจที่จะติดตามพระเลวะตะผู้บุตรไปสู่แคว้นโกศลเพื่อเข้าสู่อาณาจักรแห่งกาสาวพัทที่นั่น ในเวลาต่อมาชายแก่ก็ได้ให้สมบัติของแก่เป็นทานแก่ชาวบ้านผู้ต้องการและสองพ่อลูกก็เดินทางสู่ทิศใต้มุ่งหน้าสู่กรุงสาวัตถี หลายลาตีผ่านไปสองพ่อลูกก็ถึงหมู่บ้านริมปากทางเข้าดงใหญ่ที่พระเลวะตะและอาจารย์เคยอยู่เป็นเวลาห้าพรรษาแต่ณที่นั้นท่านหาได้พบกับพระอาจารย์และเพื่อนภิกษุที่เคยเป็นโจรมาด้วยกันไม่ชาวบ้านบอกว่าภิกษุทั้งปวงได้ออกจากหมู่บ้านนั้นไปนานแล้วได้รับทราบว่าไปทางกรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระบรมศาสดา เพราะมีเสียงเล่าลือกันทั่วไปในเวลานั้นพระสมณะโคดมได้เสด็จมาประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารใต้กรุงสาวัตถีตามคำอารัธนาของอนาธบินทิกะเศรษฐีแล้วสองพ่อลูกจึงได้รีบเร่งเดินทางต่อไปอยังกรุงสาวัตถีเพื่อกราบถวายบังคมต่อพระบรมศาสดา ในรติการวันหนึ่งบนแท่นหินใต้ต้นไทรใหญ่ภายในพระเชตวันมหาวิหารพระพิสุหลายรูปกำลังนั่งสนทนาธรรมกันอยู่ด้วยเสียงต่ำๆเพื่อมีให้เป็นการรบกวนแก่เหล่าพิสุผู้กำลังบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อธรรมสากัะฉา ย, ยุติลงแล้วพระพิสุหลายรูปในกลุ่มนั้นก็ได้อารัตนาให้พระเลวตตะ เล่าชีวิตประวัติของท่านดังต่อไปนี้